จรานท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมพุทธศักราช2 5งพเป็นวันพระวันธรรมัตสวาณะวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธาแน่วแน่ต่อพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสร้างที่พึ่งสร้างสารณะให้แก่จิตใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะ เป็นที่พึ่งของจิตใจของพวกเราได้นอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือความสุขต่างๆที่เราได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถ ปกป้องจิตใจไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความวาวุ่นขุดนมัวได้มีแต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้พวกเราสามารถยกจิตใจของพวกเราให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ได้ทรงศึกษาและทรงปฏิบัติจน ทำให้จิตใจของพระองค์นั้นอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงนาเอามาประกาศสั่งสอนให้แก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเมื่อผู้ที่มีศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็สามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติมา ทรงได้นับผลมาพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าพวกเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเราก็จะสามารถยกจิตใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆทั้งหลายได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องของความจริงที่ไม่ตาย คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิ่โกไม่ได้เสื่อมไม่ได้หมดไปตามเวลาในสมัยพระพุทธเจ้ามีความสามารถทำให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ฉันใดในปัจจุบันนี้ก็สามารถทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นพวกเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หมดยุคหมดสมัยไปแล้วการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องของในอดีตเท่านั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายไม่ใช่เป็นเรื่องของพวกเราพวกเรานี้ ไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเพราะเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยสั่งสอนเราเหมือนในสมัยพระพุทธการนี่เป็นความเห็นที่ผิดไม่ควรที่จะมีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราเพราะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงจากพวกเราไปก็ทรงตัดไว้แล้วว่าธรรมวินัยที่เรา ตักไว้ชอบแล้วที่เราสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดาถ้าพวกเธอมีธรรมวินัยเป็นเป็นที่ที่นําทางพวกเธอไปดังนั้นขอให้พวกเราจงศึกษาพระธรรมวินัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่างสม่ำเสมอแล้วพยายามน้อมเอาเข้ามาปฏิบัติที่ใจของเราเพื่อที่เราจะได้ทำใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้สาระที่เรารู้จักกันนี้ยังไม่ได้เป็นสาระของพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเราก็รู้จักพระพุทธรูปเวลาเราเจอพระพุทธรูปเราก็กราบไหว้ พระทมคําสอนเช่นหนังสือในพระไตรปิฎก พ, พวกเราก็เคอยอ่านแต่พวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติกันพระธรำคําสอนจึงยังไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราพระอริยสงสาวกที่เรากราบไหว้บูชาท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระในใจของเรา เป็นเพียงอยู่ภายนอกเป็นสั ญ, ญลักษณ์หรือเป็นป้ายบอกทางให้เราน้อมพําคธรมคสอนของข้อพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติเพื่อเราจะได้สร้างสารณะของเราภายในใจของเราสารณะที่แท้จริงที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้นี้ต้องเป็นสารณะ ที่เกิดขึ้นภายในใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนะสาระภายนอกนี้ยังไม่สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาให้เรา <c oughs> อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้พระพุทธรูปที่เราจับมีไว้ที่บ้านก็ดีหรือที่เราห้อยคอไว้ก็ดียังไม่สามารถปกป้องทุกภัยอันตรายต่างๆ ให้พ้นจากจิตใจของเราได้แต่พระพุทธรูปนี้มีหน้าที่เพื่อให้เราได้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติถ้าเรามีพุทธานุสติเราก็จะได้มีความรู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครท่า น, นได้ดำเนินชีวิตของท่านมาอย่างไรแล้วท่านได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ได้อย่างไรแล้วคำสอนที่ท่านทรงสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้มีอะไรบ้างนี่คือความหมายของการมีพระไม่ว่าจะมีพระไว้ที่บ้านหรือที่เราห้อยคอมีไว้เพื่อเตือนสติเพื่อให้เราเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเรารึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เรารึกถึงพกะทำคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนให้เราทำดีละบาปให้เราทำละใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราได้นำลึกถึงพระธรรมคำสอนแล้วเราก็จะได้น้อมเอาเพราะธรรมคำสอนมาปฏิบัติทำตามเยี่ยงอย่างของพระอริยรสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นปุ้ตุชนเหมือนพวกเรามาก่อน หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำอสอนแล้ว <c oughs> ก็น้อมเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาริยสงสาวกขึ้นมานี่คือความหมายของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีไว้เพื่อเตือนสติเราให้พวกเราได้ปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็ว เราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาพอเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอริยสงสารเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งอันเดียวกันต่างกันเพียงแต่ลักษณะอาการเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตัดสุธธรรม พระธรรมคำสอนก็คือเป็นเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูปมาแล้วพระอาาริยสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุมานี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าพวกเราอยากจะมีที่พึ่ง ปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุธทธเจ้าทําดีแล้วเราก็ไม่ทําบาปแล้วเราก็ต้องหมัดชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทําได้ทั้งสามประการนี้แล้วสิ่งที่มืดบอดที่ คุมที่ครอบนำจิตใจของพวกเราก็จะถูกชำระออกไปเมื่อสิ่งที่คุมอยู่คุมจิตใจของเราอยู่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้พอสิ่งที่ปกคุมหุ้มห่อจิตใจคือความมืดบอดความหลงนี้ถูกชำระออกไปใจของเราก็จะสว่างสวัยขึ้นมา เป็นเหมือนคนที่ลืมตาขึ้นมาเมื่อลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับคนที่มีตามองเห็นอยู่แล้วพวกเรามีตาแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดตาเราปิดตาด้วยอำนาจของความหลงความหลงนี่ปิดตาใจของเราทำให้เราไม่เห็นความจริง ไม่เห็นความจริงของความสุขของความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราเราจึงไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราแทนที่จะไปดับความทุกข์เพราะว่าเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกับตาละบดเห็นตรงกันข้ามกันเราไม่เห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆของเรา ความอยากที่ทำให้เราเกิดความทุกนี้มีอยู่สามประการคือหนึ่งความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตัณหาเช่นเราอยากดูหนังฟังเพลงอยากจะดื่มอยากรับประทานสิน่งต่างๆอาหารชนิดต่างๆเครื่องดื่มชนิดต่างๆทั้งๆที่ร่างกายของเราไม่มีความต้องการเพราะร่างกายของเรา ได้รับประทานอาหารพอเพียงแล้วแต่ใจของเรานี้ยังไม่พอยังมีความอยากในรูปเสียงกิ่นรสอยู่เมื่อมีความอยากแล้วก็จะทำให้ใจของเราอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้เวลาอยากจะได้อะไรก็ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาถึงจะหายจากความไม่เป็นสุข แต่มันก็หายได้เพียงชั่วคราวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เราสังเกต ด, ดูตัวเราเองเราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆกันไม่ได้เราเวลาไม่มีอะไรทำเราต้องหาอะไรดูหาอะไรฟังหาอะไรดื่มหรือหาคนมาคุยด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่หงุดหงิดลำคาญใจนั่นเอง นี่เป็นเพราะว่าใจของเรามีความอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เองความอยากชนิดที่สองที่ทำให้ใจของพวกเราไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขก็คือความอยากมีอยากเป็นเราไม่พอใจกับสถานภาพของเราเราเป็นเราเป็นอะไรของเราอยู่ในขณะนี้แต่เรามักจะไม่พอใจ เราอยากจะให้เป็นมากกว่านี้เช่นตอน <terrace. S 2> นี้เราก็อยากน้อยก็อยากที่จะรวยกว่านี้ถ้าเรามีตําแหน่งเราก็อยากจะให้มีตาแหน่งสูงกว่านี้ถ้าเรามีความสุขเราก็อยากจะให้มีความสุขมากไปกว่านี้นะนี่เป็นความอยากที่ทำให้เรามีความไม่สบายใจ มีความไม่ไม่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขและความอยากชนิดที่สามที่ทำให้เราไม่สบายใจก็คือความอยากไม่เป็นหรืออยากไม่มีเช่นอะไรเช่นความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่ตายความอยากไม่เป็นคนจนอย่างนี้เป็นต้นความอยากทั้งสามประการนี้ เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเรามีความทุกข์ไม่มีความสุขถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ความจริงนี้เราก็จะอยู่ไปกับความทุกข์ไปอย่างที่เราเคยอยู่มานับไม่ถ้วนแล้วเพราะนี่มันเป็นความหลงที่ติดมากับใจของเราเกิดมานี้ก็มีความอยากกันทุกคน ความอย่างนี้ไม่ต้องมีใครสอนพ่อแม่ไม่ต้องสอนเราสอนเรารู้อยู่ในใจพอเราเห็นอะไรที่ถูกอกถูกใจเราเราก็อยากได้พอเราเห็นอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเราเราก็อยากจะให้มันหายไปให้มันพ้นไปจากหูจากตาเรานี่เป็นความอยากที่ฝังมาอยู่ภายในใจของพวกเราพวกเราจึงไม่เคยมีเวลาใด ที่มีที่ไม่มีความทุกข์ใจเลยเราจะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราละความอยากทั้งสามประการนี้ด้วยการทาบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรม คือนั่งสมาธิและเจริญปัญญานี่คือวิธีที่เราจะสามารถละความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติทานศีลภาวนาคือนั่งสมาธิและเจริญปัญญาเราก็จะไม่มีทางที่จะละความอยากต่างๆ ออกไปจากใจของเราได้ทั้งๆที่เราอยากที่จะละเพราะเรารู้ว่าความอยากของเรานี้มันเป็นเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจเช่นความอยากดื่มสุรานี้เป็นตัวอย่างเราก็รู้ว่าการดื่มสุรานี้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายเป็นโทษกับร่างกายของเราและเป็นโทษกับจิตใจ เพราะเมื่อดื่มไปแล้วก็จะทําให้ขาดสติไม่สามารถรักษาใจของเราให้เป็นปกติได้ทําให้เราต้องพูดต้องทําในสิ่งที่เสียหายแล้วก็ไปเกิดโทษกับผู้อื่นแล้วก็ย้อนกลับมาเกิดโทษกับตัวเราเองแล้วถ้าดื่มสุราไปมากๆก็จะทําให้ ร่างกายสุขภาพเสื่อมโทรหลงทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและตายก่อนที่จะถึงเวลานี่เป็นโทษของสุราที่คนที่ดื่มสุราเขารู้กันแต่เขาไม่สามารถที่จะเลิกได้ถ้าเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือ ต้องมีสมาธิและมีปัญญาถ้ามีสมาธิทำใจให้สงบได้ความอยากสุราก็จะระ ง, งับตัวลงไปชั่วคราวอย่างน้อยก็ทำให้ใจโล่งออกไปสักระยะหนึ่งเวลามีความอยากดื่มสุรานี้มันจะรู้สึกทรมานใจแต่พอเราสามารถทำใจให้สงบได้เช่นเรา บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องความอยากดื่มสุราถ้าเรามีความสามารถที่จะบริกรรมพุโทโธไปได้อย่างต่อเนื่องต่อไปความอยากสุราก็จะนังงับไปชั่วคราวแต่ถ้าเราหยุดบริกรรมแล้วเรากลับไปคิดถึงเรื่องความอยากดื่มสุราอีกความอยากมันก็จะกลับมาอีก ถ้าเราอยากที่จะตัดความอยากดื่มสุราได้อย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลพิจารณาว่าการดื่มสุรานี้เป็นโทษกับเรามันไม่ได้เป็นคุณกับเรามันทำให้เราเป็นทาตของความอยากดื่มสุราเวลาอยากจะดื่มสุราแล้วนี่จะทำอะไรไม่ได้เลยจะต้องดื่มสุราก่อน แล้วก็จะเป็น่าไปจนวันตายแล้วก็จะต้องตายก่อนวัยและจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราคิดอย่างนี้ใช้เหตุผลอย่างนี้เราก็จะมีความสามารถที่จะเลิกเดิมสุราได้เราต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญาช่วยกันเวลาเราพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่า ยังไม่สามารถดับความอยากได้เราก็มานั่งสมาธิต่อทำจิตใจให้สงบเพราะจิตใจสงบความอยากดื่มสุราก็จะหายไปชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิเราก็สอนใจต่อว่าเลือกว่าการดื่มสุราเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเราถ้าเราคอยสอน อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วต่อไปไม่นานเราก็จะเดิกดื่มสุราได้เพราะเวลาที่เราอยากจะดื่มสุราเราก็ไม่ดืม่มเราใช้การนั่งสมาธิแทนเราระ ง, งับความอยากดื่มสุราไว้ชั่วคราวแล้วพอออกจากสมาธิเราก็คอยสอนใจของเราให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุราทำอย่างนี้ไปไม่นานต่อไปความอยากดื่มสุราก็จะ หมดกำลังไปเพราะว่าเราไม่ได้สนับสนุนการสนับสนุนความอยากดื่มสุราก็คือการกระทำตามความอยากถ้าเรากระทำตามความอยากแล้วความอยากนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นจะมีกำลังมากขึ้นครั้งแรกที่เราอยากนี้จะไม่มีกำลังมากเท่ากับครั้งที่สองครั้งที่สองก็จะไม่มีกำลังมากเท่ากับครั้งที่สานี่คือ เรื่องของของความอยากเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะตัดความอยา ก, กอยากจะละความอยากทำลายความอยากเราต้องไม่ทำตามความอยากถึงแม้จะทุกทรมานใจในขณะที่ต่อสู้กับความอยากก็ขอให้เราคิดว่าเป็นการต่อสู้ที่จะทำลายความทุกข์ต่างๆให้หมดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก เรายอมทุกข์กับการต่อสู้กับความอยากดีกว่าเพราะว่าเมื่อเราต่อสู้กับความอยากได้แล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไปพอหมดไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของเราอีกเลยเช่นเดียวเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ต่อสู้กับความอยากทุกชนิดทั้งสามชนิดนี้มา จนไม่มีความอยากต่างๆเหล่านี้ลงเหลืออยู่ภายในใจของท่านอีกต่อไปท่านจึงต้องท่านจึงไม่ต้องมาทุกข์กับความอยากต่างๆอีกต่อไปและไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ด้วยเพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีเหตุที่จะผลักให้ใจไปเกิดใหม่อีกต่อไปนั่นเองนี่คือการดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเรา เราต้องดับที่ความอยากของเราเราอยากไปทําตามความอยากเพราะถ้าตามตามความอยากแล้วมันไม่ได้ดับความทุกข์แต่กลับทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้นไปต่อไปแต่เราไม่รู้เพราะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรเราก็ไปทําตามที่เราอยากได้แล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นมาแต่เราไม่เคยสังเกตว่า ตอนที่เราอยากได้นั้นเรารู้สึกอย่างไรใจเราเป็นสุขหรือไม่หรือมีความกาังวลกังวายกระสับกระส่ายอยากจะอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเวลาถ้าไม่ได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เราไม่มองกันไม่เห็นกันเราจะเห็นเพียงแต่ว่าเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไปหาสิ่งที่เราอยากได้มา เราก็จะมีความสุขเราจะคิดอย่างนี้เราจึงไม่เห็นโทษของความอยากเราไม่เพราะเราไม่เห็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากเราไปเห็นความสุขใจที่เกิดจากการได้ทําตามความอยากแต่เราไม่รู้ว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้ยุติความอยากแต่กลับยืดอายุของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไป ทำให้เราอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเราไม่มีเมืมม่อเราไม่สามารถยุติความอยากได้เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาพัดพลากจากสิ่งต่างๆที่เรารักไปใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันอยู่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย การเกิดมาแต่ละครั้งนี้ต้องมาแก่ต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมาตายนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความทุกข์ที่พวกเราทุกคนรู้กันและไม่อยากจะพบกันแต่ก็ไม่มีทางเลี่ยมเพราะเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องระงับ ละความอยากทั้งสามประการให้ได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติมาแล้วคือต้อ ง, องละตลกามะตันหาความอยากในการในรูปเสียงกลิน่นรสละภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและละวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือทำทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิและวิปัสสนาภาวนาเราก็จะสามารถละความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ละมาแล้วด้วยวิธีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะละได้อย่างแน่นอนและเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือการสร้างสรณะสร้างที่พึ่งของใจสร้างด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะมีสรณะที่พึ่งในใจของเราใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจมีจะไม่มีความหวาดกลัว จะไม่มีความวิตกกังวลว่าวุ่นขุนขุนมัวอีกต่อไปภายในใจของเราภายในใจจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังก็คือใจที่ได้ละความอยากทั้งหมดไปแล้วนั่นเองนี่แหละคือสาระที่พึ่งของเราก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่เอง จึงขอให้พวกท่านทั้งหลายจงพยายามน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใส่ใจและมาปฏิบัติเพื่อเราจะได้มีที่พึ่งต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนาตรายและบุญกุศล